พระธรรมเทศนาแผ่นที่สองลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่หนึ่งมกราคม2557มีชื่อเรื่องว่าปรารถนาให้พ้นทุก์เร็วที่สุดก่อนที่จะสมาทานศีล เมื่อคืนที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าจะยังไม่พูดเรื่องคุณค่าของสินให้คณะัทธาญาติโยมลูกหลานได้ฟังเพราะคราวก่อนหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับคุณค่าของสินให้คณะัทธาญาติโยมได้ฟังไปรอบก่อนหน้านี้ แต่คราวนี้หลวงพ่อเองก็มั่นใจว่าลูกหลานคณะจัทตาญาจมจากจารุรทิศได้มาเยี่ยมบ้านมาเพราะเป็นปีใหม่ได้มากราบพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ได้ถือโอกาสมาฟังมาฟังสวดพระอภิธรรมในงานสรีระขององค์หลวงปู่แล้วก็พร้อมกันก็ จะได้ฟังธรรมเทศนาในคืนวันนี้ด้วยก่อนที่จะฟังธรรมเทศนาพวกเราได้ไหว้พระแล้วก็ได้คารวะองค์หลวงปู่แล้วก็ไดาราธนาสินหลวงพ่อเป็นองค์ประธานในการที่จะพานำสมาทานสิน ก่อนที่จะสมาทานศีลหลวงพ่อเองได้สังเกตมานมนานพอหลวงพ่อบวชแต่สมัยเป็นเนนอายุสิบกว่าปีแล้วก็มาถึงขนาดนี้ละหลวงพ่อไปนะไม่ว่างานไหนงานใหญ่งานเล็กไม่ว่างานมงคลอวะมงคลมงคลก็คืองานวันเกิดงานทาบุญบ้าน งานอาวมองคลก็คืองานศพหรือว่างานทำบุญคนตา ย, ยานี่เป็นอย่างที่เป็นต้นก็เวลาคณะสัายาติโยมอาราธนาสินมายางพันเตติสารเนรสหาปัญจศีลาหรือว่ามายางพันเตวิสุงวิสุงรักนัดทายะเมื่อจบแล้วพระเถระผู้ใหญ่ที่เป็นประธานก็ได้นำตรปัดออกมาแล้วก็ให้สิน หรือว่าอย่างพระกรรมฐานก็ให้ศีลไปเลยท่านก็ไม่ได้บสถโพูดให้ฟังว่าคุณค่าหรือประโยชน์ของศีลนั้นคืออะไรเพราะนั้นลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้บวชในพระพุทธศาสนาไม่เคยบวชและไม่เคยสนใจกับวัด เมื่อใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เข้าโรงเรียนเผลอๆเข้าโรงเรียนต่างศาสนาอีกต่างหากแล้วก็ก็ห่างเหินจากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายพานับถือมาเพราะนั้นพระสงฆ์ไม่อธิบายให้ฟังหลวงพ่อมั่นใจว่ารู้เปรียบผิวเผินปานามให้ข้าตัด ไม่ให้ขโมยทรัพย์ไม่ให้ประพฤติผิดในกรามไม่ให้โกหกไม่ดื่มสุราเผอเพยยังไล่ไม่ถูกอีกต่างหากแต่นั้นหลวงพ่อมองเห็นแล้วว่าน่าจะก่อนที่จะสมาทานศินหรือให้ศินหรือว่าเป็นผู้พานำสมาธิทานศินควรจะบอกกล่าวคุณค่าของศินให้กับพนักธาญาติโยมลูกหลานให้ได้ฟังให้ได้ศึกษาก่อน อย่างน้อยก็ให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติสินเนี่ยด้วยเหตุผลอย่างไรและเมื่อพระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วบัญพระบุตรของชาติไทยเราก็ได้นำทำคำสอนที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสสอนเอาไว้นั้นเอามาใช้ทกงานาตั้งแต่ดึกํำบรร์บัญพรพบุตรของพวกเราจนมาถึงพวกเรา แต่พอมาถึงพวกเราพวกเราก็เมื่อผู้ใหญ่เรื่องวันบรรพบุพรุษถือมาแล้วก็ถือไปแต่จะไปวิจารมากก็ไม่ไรกลัวบาปไปวิจารเรื่องของพระของสงฆ์กลัวบาปก็เลยไม่เขาถือมาแล้วก็ถือไปให้มันจบจบไปหลวงพ่อมองดูแล้วจะลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้อธิบายเรื่องของศีลพศีลของพระพุทธเจ้า ถ้าเราพิจารณาด้วยหลักเหตุผลแล้วเป็นสิลคุ้มครองโลกจริงๆทําให้โลกทั้งโลกสงบพรมเย็นเป็นสุขถ้าหากว่าโลกทั้งหลายยินดีหรือว่ารักษาศินหรือมีศินห้าประจํากายวาจาของแต่ละคนโลกทั้งโลกก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันแต่ถ้าว่าโลกทั้งโลกขาดศิลและทำแล้วขาดศินห้าแล้วหาความไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่ได้ เพราะนั้นเรื่องสินห้าไม่ใช่ของเล็กน้อยเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้นําบอกกล่าวให้กับสัตยาญาติโยมโ ล, ลูกหลานอันดับแรกหลวงพ่อจะเป็นผู้พานําว่านาโมเพียงแต่หนโมเท่านี้พวกเราก็ยังไม่เข้าใจว่าหนาโมแปลว่าอะไรเขาว่าปากมากแล้วก็ว่ากันไปแต่ความแปลหรือความหมายของหนโมนั้นหนโมตัสะ พขะขาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะข้าพรเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วเกี่ยวข้องอะไรเรารับสารักษาศีลจึงไปกราบพระพุทธเจ้าคนโบราณเขาล้ำลึกถึงพระคุณผู้มีพระคุณยิ่งก็ ค, คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพุทธญาณ ในเมื่อท่านได้ตัดรู้แล้วท่านก็ได้ประกาศพระธรรมคําสอนออกมาโดยเฉพาะศินห้าที่พวกเราจะสมาทานเนี่ยนะเป็นศินของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติขึ้นที่ท่านแนะนําบอกกล่าวว่าศินห้าเนี่ยมีคุณค่ามีประโยชน์นะให้พวกท่านทั้งหลายคิดดูให้ดีวิเคราะห์ดูให้ดีแต่ี้เมื่อเราวิเคราะห์ดูดีแล้ว เราก็ยอมรับว่าศีลห้าของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์จริงเพราะฉะนั้นพวกเราจะรับศีลห้าจะรับศีลพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจึงนอบน้อมต้นความคิดคือพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าเป็นต้นความคิดเป็นศาสดาที่ประทานพระธรรมคําสอนให้พวกเราปฏิบัติพวกเราจึงนอบน้อมพระพุทธเจ้า นอบน้อมถึงสามครั้งอีกต่างหากหนาโมสามจบนะนโมตัสสะามจบจากนั้นก็พุทธทงทังธรรมังสังขังสรณ า, างคัตฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบโดยพระ อ, องค์เองได้ประกาศพระธรรมคําสอนแปด0มื 80, สีพันพระธรรมมขันถ้าพวกเราได้ศึกษาแล้ว เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเรื่องศีลสมาธิปัญญาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นพระสงฆ์ได้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศเผยแผ่มาบอกกล่าวให้กับพวกเราพวกเราจึงได้รับฟังได้ศึกษาจากพระสงฆ์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ากวีพระธรรมกวีพระสงฆ์กดีเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพวกเราจึงยึดเป็นสารณะเป็นที่พึ่งสําหรับพวกเราจึงว่าพุทธทาง ธรรมังสังขังสารณนาคฉามิและก็กล่าวยืนยันอีกครั้งที่สองว่ดุติยัมปิพุทธังธรรมังสังขังสรนาคัฉามิข้าพเจ้าขอยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งเป็นครั้งที่สองและก็ตาติยามปิพุทธังธรรมังสังขังสารนาคัฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นครั้งที่สาม ยืนยันทั้งสาครั้งจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งจากนั้นก็กล่าวเป็นองค์ศิลปาณาทิปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสัมาทิยามิข้าพรเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าฆ่าสัตว์คําว่าสัตว์คราวนี้ก็คือมนุษย์ของเราก็เป็นสัตว์เหมือนกันนะสัตวะสัตตะแปลว่าผู้คล่องผู้คล่องอยู่ในภพในชาติจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัตะสงสาร ยังไม่ถึงพระนิพพานเท่ากับเป็นสัตว์ทั้งหมดคือว่าสัตตะยังคล่องอยู่ในภพในชาติอยู่เพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าการฆ่ากันไม่เป็นผลดีสําหรับชุมชนสังคมในกลุ่มของพวกเราเพราะฉะนั้นการฆ่ากันถ้าเราไปฆ่าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเขาเขาก็เสียใจเมื่อเขามาฆ่าพ่อแม่พี่น้องของเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉนั้นอย่าฆ่ากันอันนี้คือศินข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองอธินาธานาอยากขโมยคนอื่นเขาถ้าเราไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาขามกขโมยของเราพี่น้องพ่อแม่ลูกหลานของเราไปเรียกค่าไทยอย่างเนี้ยเราเสียใจมะถ้าเราไปทำให้กับเขาขก็เสียใจถ้าเขามากับทากับเราเราก็เสียใจถ้าเขามากขโมยรถขโมวยวัวควายสมัยก่อนวัวควายทาหับไถไร่ไถนาใส่เกวียน ทําไร่ทํานาเป็นอาชีพแล้วก็มีขโมยมาขโมยวัวควายของเขาเขาก็เสียใจ เ, เพราะว่าถ้าเขาขโมยวัวควายไปแล้วะเขาจะหยุดจะทําไร่ทํานาได้อย่างไร น, นี่เขาก็เสียใจถ้าเราไปทํากับคนอื่นเขาเขาก็เสียใจเขามาทํากับเราเราก็เสียใจเพราะการขโมยไม่เป็นผลดีทําให้ชุมชนสังคมนั้นเดือดร้อนวุ่นวาย ถ้าว่ามีขโมยโวยโจนเกิดขึ้นในชุมชนของพวกเราอันนี้คือศินข้อที่สองข้อที่สามกามเมสุมิส า, าจาราวเวระมณีสาบีภรรยาลูกหลานของใครเขาครรพสงวนห่วงแหนของเขาได้เมื่อเราไปร่วงรําเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาร่วงรําเราล่ะพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือสินข้อที่สาม พ่อที่สีมุสาวาทาเวรมณีอย่ากโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปต้มตุน๋นโกหกหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาต้มตุ๋นหลอกลวงเราละ่ะ เ, เขียนเช็คแต่งให้เราอย่างนี้ยหรือวันหลอกเอาเหล็กก้อนหินมาเลื่มเออมันเลื่อมเลื่อมเออมีเงาแวววับเออแล้วเอามาบอกเขานี่ยนะคือเหล็กไหลจ่ายเงินเท่านั้นเทน่านี้พอดูเข้าไปแล้วไม่ใช่ เราเสียใจมะเราเสียเงินไปเท่าไรอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้คือต้มตุนหลอกลวงมีมากหลากกลายในการต้มตุนหลอกลวงเพราะนั้นเราถูกหลอกลวงเขาเราก็เสียใจถ้าเราไปหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นสินห้าของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าเราวิเคราะห์ อ, ออกมาแล้วก็คือว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรา เอาใจเราไปใส่ใจเขาในเมื่อ เ, เขามาทำกับเราเราก็ทุกใจเดือดร้อนในเมื่อเราไปทำกับคนอื่นเขาเขาก็ทุกใจเดือดร้อนเพราะนั้นอย่าให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือสินข้อที่สินห้าของพระพุทธเจ้าแต่ว่าข้อที่ห้าเป็นเป็นพิเศษขึ้นมาอีกเออสุราเมรยะมัชฌะประมาณการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ถ้าคนใดก็ตามดื่มสุราก็คือเหล้าเมลัยก็คือเบียร์อยากนั้นก็ยามา้าคัญชา ย, ยาฝิ่นเฮโรอีนเมื่อเดิมือเสบเข้าไปแล้วทำให้ขาดสติทำให้สมองปั่นป่วนขาดสติเมื่อขาดสติคนขาดสติทำความชั่วในทุกอย่างฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้ทำผิดลูกสามีภรรยาของใครก็ได้ โกหกใครก็ได้เพราะรัานสินข้อที่ห้าเป็นศินที่อันตรายอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายทราบปีใหม่อย่างวันนี้นะที่ชอบกินเลี้ยงสังสรรค์กันในเมื่อขาดสติแล้วก็ลืมตัวพอลืมตัวแล้วก็ขับรถขับรถก็ น, นั่นชนดะตกเหวตกถนนไปเลยทีนี้น่แหละอันนี้คือคนขาดสติ เมื่อคนขาดสติแล้วไม่จักไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรเพราะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนให้คิดดูให้ดีก็แล้วกันว่าศินข้อที่ห้าเป็นศินอันตรายอย่างมากข้อหนึ่งเพราะคนขาดสติเพราะคนขาดส ต, ติเหมือนกับคนบ้าถ้าคนเป็นบ้าเดีวยวคนขาดสติมีอาวุธอยู่ในมือของเขามันน่ากลัวยิ่งกว่าอะไรเพราะฉะนั้นคนขาดสติในการดึง สุราเข้าไปแล้วก็น่ากลัวอีกเหมือนกันเราก็รู้ทำไมเราจึงดื่มดื่มเข้าไปแล้วมันเมาถ้าเมาแล้วดื่มทำไม่เรายากจะเป็นบ้าเหรอต้องถามตัวเองอย่างนั้นถ้าคนอื่นถามแลวเดี๋ยวเจะว่าให้นะแต่ถ้าพวกเราถามตัวเองนะันไม่มีใครว่าให้มันควรไม่ควรอย่างไรเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราควรจะรู้ว่าสิ่งไหนควรเด็ไม่ควรอย่างไร เพราะนั้นขอฝากไว้กับคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะที่พูดทางนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อพูดเป็นกลางเอาทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวผิดไหมถูกไหมควรไหมไม่ควรอย่างไรเป็นหน้าที่ของพวกเราจะใช้สติใช้ปัญญากันกรองไตรตรองเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังไปแล้วนั้นเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายรู้คุณค่าของศีลแล้ว ต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานําสมาทานสิลศิลวันนี้เป็นศินพิเศษอย่างที่ท่านอาจารย์พักตรูได้พูดเป็นสินอรองรับปีรองส่งท้ายปีปีเก่ารองรับปีใหม่เป็นศินปีใหม่เราจะสํารวมกายวาจาให้เรียบร้อยเป็นบุญเป็นกุศลรองรับเราล้างภาชนะคือล้างอา ลางภาชนะคือชำระกายกับวาจาให้สะอาดเพื่อรับคุณธรรมในปีพุทธศักราช2557เพราะวันนี้เป็นวันที่หนึ่งมกรา57เป็นวันปีใหม่ของโลกวันปีใหม่สากลเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านให้ตั้งตนตั้งใจสํารวมกายวาจาใจให้ดี แล้วก็ปีใหม่ที่จะผ่านมาก้อพวกเราตั้งตัวดีแล้วนะสิ่งที่มันจะผ่านเข้ามาก็ดีไปหมดเลยทีนี้เพราะเราตั้งตนไว้ดีแล้วเนพะฉะ น, นั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งเป็นวันปฐมฤกิ์ควรจะสร้างสังสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจต่อจากนี้ไปหลวงพ่อเองจะเป็นผู้พานำคณะทศไทายญาติโยมสมาทานศีล นะโมตัสสะพกะวะโตอะรหาหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนานิพพติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทาเย ไปตั้งใจฟังหลวงพ่อจะได้กล่าวหรือว่าแสดงสังเวชทนันยัคขาให้กับคณะจัทธาญาติโยมทุกทุกท่านเพื่อการศึกษาแต่เมื่อเช้าหลวงพ่อก็ได้บอกกับคณะจัทธารญาติโยมพรหลวงพ่อถือว่าหลวงปู่ของเราไม่ใช่ของหลวงพ่อ และก็ไม่ใช่ของบุคคลใดผู้ใดผู้หนึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเราจะร่วมกันรับภาระกาบคารวะองคหลวงปู่ให้งานหลวงปู่ให้ดีที่สุดไม่ให้มีอุปสรรคถึงจะมีอุปสรรคก็เคียงบ่าเคียงไหลกันทุกๆ ท, ท่านผู้ใดคิดได้ยังไงสติปัญญามีเท่าไหร่ให้ช่วยช่วยกัน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 นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพสังสังฆภูตานังสามคีวุติสาธิกาติติวันนี้นับว่าเป็นวันอบอุ่นในหมู่ญาติคณะสิทธิ์หรือคณะศรัทาธาญาติโยมที่เป็นสิทธ ญาณุสิทธิ์เป็นลูกเป็นหลานขององค์หลวงปู่เห็นแล้วก็อบอุ่นที่มีความพร้อมเพียงสามัคคีที่พวกเราจะเตรียมงานที่จะถวายพระราชทานเพลิงสรีระของหลวงหลวงปู่วันนี้เป็นวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2557้และก็วันที่หาพวกเราก็จะเริ่ม พิธีพระราชทานเพลิงศรีระของท่านเพราะนั้นวันนี้พวกเราก็ได้มารวมกันสวดพระอภิธรรมแต่ว่าก่อนที่จะสวดพระอภิธรรมก็จะมีการไหว้พระสวดมนต์คารวะองค์หลวงปู่ได้รับศินหน้าอยากได้หลวงพ่อเองกําลังกล่าวสังเวชนิยกถาให้กับพวกเราท่านทั้งหลายเพื่อเป็นการศึกษา พ่อหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า 84% ดหมพันพระธรรมขันครูบาอาจารย์แต่ละองค์จะพูดทั้ง 84% ดหมพันพระธรรมขันนั้นก็คงจะคงจะไหลนั่งทั้งปีทั้งเดือนก็คงจะพูดไม่จบแต่ต่างบางองค์ก็ได้เรียนเข้าใจในจุดไหนศรัทธาญาติโยมนั่งต่อหน้าเนี่จะได้อยากจะได้ฟังจุดไหน ครูบาอาจารย์ที่เป็นองค์แสดงธรรมอย่างหลวงพ่อเนี่ยแหละหลวงพ่อก็จะได้จิบยกในจุดนั้นๆประเด็นนั้นๆมาบอกกล่าวให้กับคณะจตหายาิโยมเพื่อการศึกษาบางทีครับครั้งนี้ได้ฟังเรื่องนั้นครั้งหนึ่งได้ฟังเรื่องหนึง่งแต่หลายครั้งต่อหลายหนพวกเราก็มีสติมีปัญญาประมวลได้ว่า ทำคำสอนของพ ร, ระ พ, mhm. รพุทธเจ้าคือจุดประสงค์ที่แท้จริงจุดประสงค์ของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีจุดประสงค์อะไรเราก็จะได้จับจุดถูกเพราะเมื่อจับจุดถูกแล้วเราก็จะได้ดำเนินปฏิบัติตามทำคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราจะได้รับความสุขความเย็นใจเพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนที่อื่นนสอนใจ ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อคืนที่แล้วเพราะฉะนั้นขอให้คณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกๆคนนะการสั่งสมบรรมัรลังมีพวกเราก็สังสมไปทีละ น, น้อยละ น, น้อยอย่างนี้แหละองคหลวงปู่จามของเราท่านพูดมาแต่ไหนแต่ไรท่านว่าท่านปราถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตท่านพูดอย่างนั้น ลูกหลานทั้งหลายคณะสัตยาญาติโยมทั้งหลายก็คงจะเข้าใจเป็นองค์ที่เท่าไหร่ท่านก็ยังพูดด้วยว่าเป็นองค์ที่เท่านั้นเป็นองค์ที่สิบหกท่านคพอจะไม่ผิดนะอันนี้ท่านก็พูดให้คณะสัต ธ, ธาญาติโยมได้ฟังแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอันนี้เรายัางไม่มั่นใจใการเปลี่ยนแปลงของพุทธภูมิเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้นะคณะสัตยาญาติโยมเออ ถ้างว่าพวกเราท่านทั้งหลายอย่างองคหลวงปู่ของเราเนี่ยนะเมื่อเราประชุมเพลิงไปแล้วกระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุขึ้นมาเราก็ต้องมั่นใจว่าองคหลวงปู่ของเราเนี่ยคงจะเปลี่ยนแปลงจากพุทธภูมิมาเป็นสาวกภูมิก็ได้ทำไมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้คือในครั้งพระพุทธเจ้าเออสเดจพระพุทธเจ้ากำลังประกาศเผยแผร่ พระพุทธศาสนาประกาศพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระกัจจายนะเนี่ยเป็นลูกของพรามณ์เป็นผู้มีรูปร่างสวยงามผิวพรรณวั น, นะดีสวยงามหมดทุกอย่างเออรูปร่างงามคนสมัยนั้นก็าบอหล่อที่สุดฮพระมหากัจจายนะ แต่ี้ท่านก็ได้พาบริวารมาฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก่อนแสดงให้ฟังว่าการที่บําเพ็ญเกิดมาในโลกนี่การเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารนี่มันไม่ใช่ของสนุกนะมันเป็นของทุกข์จริงๆแต่ละคนแต่ละครั้งใจจะขาดไม่ใช่ธรรมดาถ้าผู้ใดต้องการจะปรถนาเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องเวียนไหวตายเกิดนานเท่านานแต่ถ้าว่าผู้ใด ทางรัตเข้ามาก็ขอให้เป็นพระสาวกปฏิบัติธรรมแล้วก็จะได้เป็นพระสาวกก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็จบไปแต่ความบริสุทธินั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหรันต์คนดีความบริสุทธิ์อันเดียวกันเข้าสู่นิพพานอันเดียวกันแปละว่าอนุปาทิเสชนิพพานเป็นเรื่องเดียวกัน อ, อันนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนพระมหากัจจ า, านะทั้งที่พระมหากรดยานะ ท่านจะได้รับพยากรณ์ในชาตินี้ว่าคือพระพุทธเจ้าท้าพระมหา ก, กยารจาะนะไม่เปลี่ยนใจนะแต่บอกว่าจึงไเ่จะข้าพเจ้าก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งขอให้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตเลยเถิดคือไม่เปลี่ยนใจพระพุทธเจ้าก็จะพยากรว่าเออดิมหา ก, กยารยานะนี่นะอนาคตตการต่อไปภายภาคหน้าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตพระพุทธเจ้าของเราจะพยากรณ์นะ แต่นี้พระมหากัะจา ย, ยา น, นพาะพอได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่า น, นั้นแหะเปลี่ยนใจโอโ้โหยังไงก็เอาถ้าถ้าเราเป็นพระพุทธเจ้านะี่คงจะเวียนไหวตายเกิดไปไม่รู้กี่ภพกี่ชาติในเมื่อเราได้ฟังธรรมที่พระพุทธเจ้ามันเหมือนกันจิตใจความบริสุทธิ์นั้นเหมือนกัน เ, เมื่อเราได้พระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีในความบริสุทธิ์นั้นหมดจดจากกิเลสนั้นเหมือนกัน เ, เราก็ไม่รู้จะไปทําไมเอาให้ผลทุกในชาตินี้เถอะเอาให้ขอให้พ้ทุกก็เลยเปลี่ยนใจใหม่พอเปลี่ยนใจเท่านั้นแหละพระพุทธเจ้ากว่าเทศแสดงทําให้ฟังแนวอริยสัจถิทุกสมุทัยโรดมักพระมหากระจายชนะพิจารณากานกรองไตรตรองไปด้วยพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันในเมื่อท่านเป็นพระอรหันแล้วที ตอนี้ท่านบำเพ็ญมาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตตอนี้เมื่อท่านได้สาเร็จเป็นพระราษฎร์บาละมีของท่านที่ได้บําเพ็ญมาตั้งแต่อดีตชาตินมนานแก่กล้าขึ้นมาแล้วนะมันพลิกผันกลับให้ท่านได้สาเร็จเป็นพระราษฎร์ในเมื่อท่านเป็นพระาราษฎร์แล้วก็เป็นผู้วิเศษกว่าพระสงฆ์ทั้งหลายคือพยายามตีความย่อให้พิจรารณาคือพูดคําย่อคําเดียวแต่ให้พิจรารณา ได้รับเอธัตคะจากพระพุทธเจ้ามหากรรยานะเทวปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตแต่เมื่อเขาเปลี่ยนใจใหม่เมื่อเขาได้เป็นพระสาวกก็เป็นผู้แตกฉานในอัดในธรรมเมื่อเราตถาคตพูดคําหนึ่งเขาจะอธิบายเหมือนเราตถาคตอธิบายอย่างว่านี่นะสังขารทั้งหลายไม่เทียงเออเอาญาติโยมทั้งหลายฟัง มหากาจายนะจะเป็นผู้ชี้แจงให้ฟังตอนนี้พระองค์ก็ไปเสด็จประทับ พ, พักพระอรียาบทพระมหาการ迦耶นะก็ขึ้นเออทศเรื่องว่าสังขานทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างไรนี่พระมหากาจายนะท่านอธิบายให้ทีท่วนละเอียดในเมื่อพระพุทธเจ้าออกมาจากที่ประทับท่านก็บอกว่าถ้าเราตถาคตอธิบาย ทำก็เหมือนกับมหากัจจารยนะอธิบายเหมือนกันเพราะนั้นเรายอมรับว่ามหากัจารยนะเนี่อธิบายถูกต้องแล้วยอมรับพระพุทธเจ้ายอมรับถูกต้องแล้ว น, ะนี่แหละอันนี้คือพระมหากัจจารยนะท่านได้รับเอาตะคะจากพระพุทธเจ้า ว, ว่าเข้าใจในเรื่องย่อให้พิดารให้กับภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย คณะสัต ย, ยาธิยมพุทธบริษัททั้งหลายเข้าใจในธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ท่านว่าเป็นผู้ประกาศเผยแผ่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าของเราร้วยให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เข้าใจลึกซึ้งในพระธรรมคําสอนแต่ทําไมพระมหากัจจายนะจึงพุ่งลุ่มลุ่อยอย่างนั้นทำไมอ้วนๆพระมหากัะจายนะแต่ทําไมจึงว่าสวยงามนี่แหละ ศรัทธาญาติโยมพวกเราท่านทั้งหลายก็คงอยากจะทราบเหมือนกันฮงคือพระมหาการชนะเนี่ยไปที่ไหนไปหัวเมืองไหนในชนนบทไหนคนทั้งหลายเห็นนั้นห ล, ลงไหลหลงไหลในรูปโฉมของพระมหากัจจายชนะโอ้โหทําไมสวยงามถึงขนาดนี้พระองค์นี่ไงแต่ต่างคนก็ต่างมองแบบตาไม่กระพริ บ, บเหมือนกับ พระเอกลักยันเหนือกว่าพระเอกไปอีกบางักนเถอะรูปต่างหน้าตาเสร็จสวยงดงามแต่นี้ก็มีเศรษฐีหนุ่มคนหนึ่งเศรษฐีหนุ่มคนหนึ่งแต่งงานได้ลูกสองคนพอได้ลูกสองคนนะวันหนึ่งกับพาหมู่พวกเพื่อนไปอาบน้ําพอไปอาบน้ําจะไปอาบน้ำในในในแม่น้ําแม่น้ําใหญ่คือตามปกติเขาไม่มีน้ําป่าๆใช่ไหมคนโบราณ อตอนเช้าก็ก็ไปอาบน้ำตอนนี้เขาไปเห็นพระมหาการจา ย, ยานะกําลังจะเดินข้าบินธบาตตอนเช้าเขาก็เห็นโอ้โหมหากจายพระองค์นี้ทําไมสวยงามขนาดนี้โอ้ถ้าว่าข้าได้แฟนเมียของเราสวยขนาดนี้เนี่ยเ อ, อเราก็คงจะพอใจอย่างมากคิดนะคิอยาจะเอาพระมหาการจา ย, ยานะมาเป็นแฟนเปันมาเป็นแม่บ้านตัวเองเท่านี้คิดเท่านั้นละ่ะ ตัวเองกลับกลายเป็นผู้หญิงทันทีเท่านี่กับกลายเป็นผู้หญิงพ่อมองอุตายข้านทําไมเป็นผู้หญิงท่านี่ก็อายท่านี่เพราะอายคนหลบหนีจากหมูเท่านี่ไอท้ที่ที่คนบริวารที่ไปอาบน้ําด้วยกันที่แม่น้ำํำหลบหนีออกมาก็ไปขึ้นเกวียนเขาอพอไปขึ้นเกวียนอพวกเกวียนเขาคอยขึ้นขึ้น ไปอีกเมืองหนึ่งอายว่างั้นนี่ยไม่กล้าเข้าบ้านพอจากนั้นไปก็พอไปเมืองนั้นไอชายหนุ่มคนนี้กลายเป็นผู้หญิงนะ่ก็สวยงามอพอสมควรเขาก็เลยเป็นมอบให้เจ้านายของเขาที่เป็นลูกเศรษฐีออนางนี่ก็เลยได้ผัวกัอแต่งงานอยู่ทางนี้ก็ได้ลูกสองคนได้ลูกกับพัญญาสองคนลูกของสองคนไปอยู่ทางนน้นไปอยู่กับ สามีทั้งนู้นอีกมนตัวเองเป็นผู้ชายกับเป็นผู้หญิงได้ลูกอีกสองคนอีก น, นี่อยู่ในพระไตรปิฎกนะขณาทถ า, า ญ, ญาติโยมนะบาปตัวนี้มันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะอยากจะเอาพระหรหันต์มาเป็นเมียฮะทีนี้ก็พอต่อมาทีนี้พระมหาการ ย, ยนตอท่านก็อยู่ตามในชนบทแถบๆนั่นลหละแต่นี่มีเพื่อนของคนคนนี้แหละ ที่เป็นเศรษฐีหนุ่มเนะ่ที่ว่ากายเป็นผู้หญิงเนะ่เขาก็อยู่เมืองเมืองกับเป็นเพื่อนกันเพื่อนเอนเขาก็เลยมาทำมาค้าขายมาค้าขายเมืองที่ผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงเนะี่ในลูกสองคนนะแต่ได้เขาก็มาทำมาค้าขายในเมืองนั้นที่เขาก็ประกาศโอ้เศรษฐีใหญ่ของเมืองอกรุงราชคฤห์จะมา จะมานี่แหละจะมาติดต่อทํามาค้าขายเน้อเศรษฐีใหญ่ตอนี้ก็ผู้หญิงทนทานเขากขาเอ๊ะเป็นไข่ที่เป็นเศรษฐีใหญ่พอที่ไหนได้เป็นเพื่อนกันเลยเออเป็นเพื่อนกันสมัยสมัยทํามาค้าขายด้วยกันปังเอ๊ะ อ, อันนี้มันเพื่อนเราในวาก็เลยบอกว่าเรากับเขาก็เลยตกแต่งบ้านให้ดีเออบอกพ่อบ้านเขานะในฉัน อยากจะพบกับนี่แหละเศรษฐีคนนี้เอา้าตาแก่รู้ได้ยังไงได้รู้อยู่รู้จักกันแต่เธอต้องมานั่งเป็นเพื่อนฉันนะในฉันจะคุยกับเขาบ้างตอนนี้เขาก็นัดมาเศรษฐีก็งงเหมือนกันนะเอเอทำไมเขาจึงไปใหไป้ไปบ้านเศรษฐีก็คงจะไปทา ม, มาค้าขายคงจะไปประสานงานติดต่ออะไรมั่งเศรษฐีก็พาหมูเข้าไปพ่อเข้าไปก็ไปเห็นแม่บ้าน ไมเห็นแม่บ้านกับแม่บ้านก็ถามท่านเศรษฐีจำฉันได้ไหมเศรษฐีก็งงไม่ได้จําไม่ได้คุณเป็นใครมาจากไหนยังไงผมขอโทษผมจมํไาไม่ได้อ้าวไม่ได้ยังไงแต่แต่ก่อนนี่ดิฉันเป็นเพื่อนของท่านเออเป็นเพื่อนอยังไงนะดิฉันเนี่แหละอยู่ในเมืองนั้นะเป็นเพื่อนเอาเพื่อนฉันเป็นผู้ชายเนี่ยวะเนี่แหละฉันเป็นผู้ชายในสมัยนั้น พอไปเห็นพระมหากระจายชนะอยากจะได้พระมหากระจายชนะมาเป็นเมียฮะฉันเลยกลับกลายเป็นผู้หญิงขึ้นมาเลยฉันเลยอายฉันก็เลยหลบมามาอยู่ที่เดี่ยวนี้แหละมาอยู่ที่นี่แล้มาแต่งงานกับลูกเศรษฐีเนี่ยนี่แฟนของฉันนี่ในฉันก็ได้ลูกสองคนนะอยู่ข้าวนั้นก็นกนได้ลูกกับพัญยาสองคนมาที่นี่ก็ได้ลูกกับตัวเองอีกสองคนนะทีนี้เศรษฐีจะ ง, งงแลยโว้ไม่ใช่ธรรมดาบาปกรรมตัวนี้นาะ เออจากนั้นก็เอา้าแล้วคุณจะทํำยังไงไปกราบคารวะสั้นให้ขอโทษเถะนะโอ้ยฉันไม่กล้าไปแล้วฉันอายเหมั้นกันผู้หญิงคนน่ะไม่ไปแล้วโอ้ยไม่ไปไม่เป็นไรผมจะประสานให้ไปไปไปไปกับผมเอ่อคล้ายๆว่าเป็นเพื่อนกันรู้จักเท น, เนี่ปะเออจากนั้นกเกษตรทีนี่นก็เลยไปกราบพระมหากรจายนะว่าขอมาขอโทษเพื่อนของกระผม แล้วก็ขอในมนฑ์ไปฉันที่บ้านของเพื่อนด้วยพระมหากระจา ย, ยนะเออเอาไปเพราะรู้จักกับเศรษฐีดนะีจากนั้นท่านก็ให้ผู้หญิงคนนั้นจัดสถานที่บ้านนิมนต์พระสงฆ์พระมหากระจา ย, ยนะเป็นประธานเข้ามาในบ้านเขาเขาก็คือถันดอกไม้เทียนแพร่นะกราบคารวะขอโทษได้คิดไปอย่างนั้นไปคิดไปในทางที่ไม่ดี ขอพร ะ, พ, ระพู้เป็นเจ้าโปรดอโหสิให้ดิฉันด้วยเถิดดิฉันบาปกรรมอย่างอื่นก็พอแรงแล้วอย่ามาเป็นบาปกรรมอย่างนี้อีกขอพระคุณเจ้าจงอาโอโหสิให้ดิฉันด้วยเถิดพระผู้พระมาหากระจายชนะครับบอกเออโทษที่มีแล้วเก่ามันผ่านไปแล้วเอออาตมาเองก็ไม่ได้ถือโทษอะไรหรอกยินดีให้อโหสิออขอให้บาปกรรมทั้นจง ขาดหายไปเถอะเน้อโยมเน้อให้เป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนตะก่อนเน้อพอท่านให้พรท่านโอ้โหสิให้เท่านั้นแหละผู้หญิงคนนั้นกลับกลายเป็นผู้ชายขึ้นมาทันทีเลยพอกลับกลายขึ้นมาเป็นผู้ชายเออตัวเองเป็นผู้ชายเลยโอ้โหมันน่าเบื่อจริงๆเดี๋ยวก็เป็นหญิงเดี๋ยวก็เป็นชายเ อ, อ่อเลือกเป็นชายแล้วก็มาเป็นหญิงอยแน่โอ้ยถ้าอย่างนั้นกับผมขอบวช ในศาสนาของพระพุทธเจ้าขอบวชเป็นลูกศิษย์ของท่านกัจจายนะโดยเถิดท่านจะรับได้ไหมมหากัจจายนะเออรับได้เอาเราจะรับท่านก็เลยให้บวชบวชเป็นลูกศิษย์ของท่านพอบวชแล้วเถ่นี่ก็เป็นลูกศิษย์ของพระมหากัจจายนะเไปนัดสถานที่ใดเขาก็ถามนะเถ่นี้ท่านท่านท่านลูกที่เกิดกับเปียและก็ลูกที่เกิดกับท่านเองเนี่ย ท่านรักใครมากในลูกสองฝายนี่ไงพวกพระพระพรนุ่มเ น, น้อยเขาก็ถามใช่ไหมเขาอยากจะรู้ใช่ไหมองค์นี้ก็ตอบว่าโอ้มันก็รักทั้งสองคนนั่นแหละลูกเกิดกับเมียเขารักอยู่แต่ถึงยังไงก็สู้ลูกเกิดกับตัวเองไม่ได้อที่ลูกที่เป็นผู้หญิงที่ฉันเป็นผู้หญิงนี่ฉันรักคนนี้มากกว่ามากกว่าที่ลูกที่เป็นผู้ชายนั้นฮเอ้ คนทั้งหลายกับพอทนะ่านน่กับต่างข้อต่างอยากจะรู้ใครก็มาถามใครก็มาถามถเถ อ, เอพอี่สุดพระใหม่นี่ก็อายเะนีพวกเขามาถามบ่อยใครๆก็อยากจะรู้ใครๆก็มาถามความรู้สึกนะท่านก็หลบเนะี่ยทหลบมันอยู่ทั้งอยู่ในอยู่ในวัดเลยท่านก็หลบไปอยู่หลังวัดเลยไม่อยากจะให้ใครเห็นหน้าเห็นตาเลยเถอะนี่ไปภาวนาอย่างเดียวเถอะเพราะพระมหากระจายยนตะสอนให้ภาวนาเ่ย ท่านกับภาวนากำหนดลมหายใจเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดความเบื่อหน่ายท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระรหันต์เหมือนกันนะพอท่านได้สาเร็จเป็นพระรหันต์แล้วแต่หนี้คนก็ถามท่านท่านท่านท่านลูกที่เกิดกับท่านกับลูกที่เกิดกับเมียน่ะท่านรักใครมากกว่ากันท่านบอกผมไม่รักใครทั้งหมดผมหยุดรักแล้วหยุดรักหยุดชอบหยุดรักหมดแล้ว แต่นี้ข อ, อกับโอ้ท่านองค์นี้พระองค์นี้อวดอุตตริมนุษยธรรมเสร็จแล้วเขาว่าคนไม่รักเนี่ยคือพระรหันเท่านั้นแหละหายโลคหายโกรธหายหลงหายรักเนี่ยมีแต่พระรหั น, นอันนี้พยากรพระรหันเสร็จแล้วพระองค์นีน้ไปฟ้องพระพุทธเจ้าเถอะพอไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกเข้ามาภิกษุมานี่เธอได้พูดอย่างนี้จริงไหมพระองค์นี้ก็บอกว่ากับผมใช่กับผมไม่รักแล้วเดีด๋ยวนี้ ไม่รักไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอะ เ, ออเพราะมันเป็นทุกข์รักโลภโกรธหลงทําไมจากนั้นพระองค์บอสนี่แหละดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายอันนี้คือบทของเราเขาเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วหมดจดจากกิเลสแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วเขาจะรักได้อย่างไรนี่แหละอันนี้ก็คือขนาดนิดสัยมรรคผลนิพพานจะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์เนี่ยอย่างตัวเองอยังกลับไปกลับมาได้นะคณะสัตยาติโยม บาปกรรมตัวนี้นะมันตามสนองได้ง่ายๆเพราะนั้นกรรมชั่วเพียงแต่คิดชั่วแานั้นก็ยังยังได้รับกรรมถึงขนาดนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะพรัสต า, าญาณโยมเมื่อได้ยินอย่างองค์หลวงปู่ของเราเนี่ยท่านก็ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตแต่ท่านอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้เพราะว่าใจมันเปลี่ยนได้ ท่านโอ้เราคงจะไม่เป็นนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเราคงจะเป็นภาษาวกบารมีของท่านเทไดบําเพญมานมนานก็เปลี่ย น, ปยนแปลงอย่างปุ๊บปั๊บเข้ามาหนุนเข้าไปท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยอันนี้พวกเราไม่มียานรัศนะเราก็มีแต่นึกเดาคาดคะเนผิดผิดถูกถู ก, ถกแบบปุถุชนแต่ถึงยังไงเรื่องบาปเรื่องบุญ เรื่องมรรคผลนิพพานเรื่องความบริสุทธิ์แล้ไม่บริสุทธิ์มอบให้องค์ท่านก็นแล้วกันเพราะว่าองค์ท่านเป็นผู้รู้ที่สุดในบรรดาพวกเราอย่าไปอยากจะรู้สมบัติของผู้อื่นเขาคนนี้มีเศรษฐีเขามีเงินเท่าไรไปนับไปไล่เรียงเงินของเขาน่ยถ้าไม่ใช่โง่ก็จะว่าอะไรอีกตาเทนีสมบัติของท่านก็คือสมบัติของท่านไม่ใช่สมบัติของเราให้พวกเรามองสมบัติของตัวเอง แหข้าพเจ้าเป็นที่อุ่นใจระอย่างการบำเพ็ญคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลในจิตในใจของเรานี่ยเป็นที่อุ่นใจระอย่างในเมื่อเราตายจากลงไปเดี๋ยวนี้เราจะไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนเราเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระโสดาบันระอย่งเราเป็นพระนาคามีสักกาคามีนาคามีเป็นพระพระหันระอย่งสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราทบทวนดูตนเองมากกว่า มากกว่าที่จะไปอยากจะรู้เรื่องของท่านเรื่องของท่านก็คือเรื่องของท่านแต่ถึงยังไงก็ตามถึงจะเป็นยังไงก็ตามเราก็เนี่ยเคารพศักกร ะ, ระในชรีระของท่านเพราะถึงยังไงท่านก็เป็นพระเป็นพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติีปฏิบัติชอบในดวงปู่ของพวกเราเพราะนั้นพวกเรา ทำบุญก็องหลวงปู่หลวงพ่อเองมั่นใจว่าไม่ผิดหวังแน่เพราะว่าหลวงปู่ท่านบำเพ็ญคุณงามความดีมาอย่างยาวนานเพราะนั้นเรื่องคุณธรรมในจิตในใจของท่านนั้นบางทีท่านพูดอีกอย่างหนึ่งเราอาจจะตีความหมายผิดอีกอย่างหนึ่งก็ได้เพราะหะไหรเพราะโดยมากเราตีความหมายเข้าเข้าข้างตัวเองเข้าข้างกิเลส ข, ของตัวเองจะมากกว่า อย่างหลวงพ่อได้อ่านศึกษาในพระไตรปิฎกมีเศรษฐีไปบวชอยู่ในป่าแล้วก็มีบริวารเองนะตั้งห้ารเศรษฐีเศรษฐีไปบวชเป็นลือีอยู่ในป่ า, อ, าอยู่ในห้ารอจากนั้นท่านก็ไปอยู่ในป่าแล้วก็ท่านอยากจะทานอาหารที่จำเป็นที่สุดก็คือเกลือนะ ผลละหมากลากไม้อย่างอื่นก็พอไหวแต่คนขาดเกลือเนี่ยมันมันมันทรมานน ะ, ะมันหิวเกลือท่านก็ออกมาโพออกมามาบินธบาติอยู่ในเมืองซะกว่าจะเดินออกมาได้จากป่าหิมะผานก็ใช้เวลานานทีเดียวจากนั้นท่านก็เสร็แล้วท่านก็เข้าไปเข้าไปอยู่ในป่าหิมะผานแต่ในกลุ่มลือศีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ ของท่านก็ขอลาาลือศีเข้ามาในเมืองและก็มาตั้งอาสมอยู่ในสวนอุทยานแต่ออกพรรษาถ้าหาว่าฝนหยุดหายแล้วจึงจะกลับเข้าไปหาอาจารย์อีกแต่ขอมาจำพรรษาข้างนอกสักก่อนเพราะมีภารกิจทางลือศีที่เป็นอาจารย์ก็มีบริษัทอีกกลุ่มหนึ่ง250คนเพราะท่านมีบริวารทั้ง500นะออกมาข้างนอกเนี่ยสองอยู่กับท่าน250 แต่นี้อาจารย์นี่ชอบพูดอยู่เสมอว่าในตัวของเราน่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรในตัวของเราไม่มีคุณงามความดีไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีอะไรทั้งหมดในตัวของเราเออท่านพูดจากนั้นต่อมาท่านก็เลยมรณะภาพหรือสีนี่ก็เลยมรณะภาพพอมรณะภาพเท่านั้นแหละท่นีลูกศิษย์สองร้อยห้าสิบคนน่ะคล้ายๆกับว่าไม่ได้อย่างรู้ไม่ได้อย่างรึก ในจิตที่ท่านพูดว่าข้าพปเจ้าไม่มีอะไรเลยในจิตใจมันว่างไปหมดมันไม่มีอะไรเออแต่นี้ก็พอท่านมรณภาพลงไปลกูกศิษย์สองร้อยห้าสิบคนเน่นอเกเชิงตะกอนคล้ายๆแบบแบบทำแบบไม่แยแสยทำไม่แบบไม่เคารพนะพูดอย่างนเหมือนกับหมาตายอาจารย์ตายไม่มีอะไรทำยังไงก็ได้ผมมันท่านไม่มีอะไร ท่านไม่มียาไม่มีชาไม่มีบุญไม่มีกุศลอะไรติดตัวของท่านท่านไม่มีอะไรเราทำอย่างไรทาอาะก็เลยทำแบบง่ายๆกองฟืนขึ้นมาแลวก็ไฟโจดเผาเลยเอพอเผาเสร็จแล้วรู้หรือ ส, สีที่อยู่ในเมืองนะ่เป็นผู้มีปัญญานะเป็นผู้มีปัญญามีสติปัญญารอบรอู้รู้ในคำว่าไม่มีอะไรในคำนี้นะ่ะคืออะไรนะ เศรษฐีเนี่ยเลยกลับมาเอามาบอกครพโภนี้ว่าอาจารย์ตายแล้วพวกท่านทํำยังไงเฮ้ยท่านว่าไม่มีอะไรจับมาอหลกักงานก็มาเผาะทามันจบจบไปเท่านั้นจะมีอะไรโอ้โหทําไมพวกท่านทําได้อยังงั้นคาว่าไม่มีอะไรเนี่ยมันลึกซึ้งนะอท่านปล่อยวางว่างในจิตใจของท่านไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรท่านปล่อยวาง ท่านมีญานรัตสนะอีกอันหนึ่งเ อ, อท่านพูดอย่างนั้นคือญานรัตสนะอันหนึ่ง อ, อที่อยู่ในนัดไม่ใช่ไม่มีอะไรนะท่านไม่มีอะไรคณะสิทธิ์สองกลุ่มกันั่งโต้เถียงกันลเลยทีนออคนหนึ่งว่าอาจารย์มีคุณธรรมองค์หนึ่งาอาจารย์ไม่มีอะไรไม่มีคุณธรรมกําลังโต้เถียงกันทั้งสองกลุ่มแบบไม่มีใครยอมแพ้ใครแล้วงั้นเถอะตอนนี้ อาจารย์ที่ขึ้นไปสู่พร ม, มโลกเนะี่ยพอท่านมรณาภาพเสร็จแล้วนะท่านมีญานทัศนะยานรัต น, นะนะท่านก็พอมรณาภาพปุ๊บท่านก็ไปสู่พรมไปเกิดอยู่ชั้นพรมเป็นพรมจากนั้นท่านก็เห็นลูกศิษย์สองกลุ่มเนี่ยทะเลาะกันเอาเป็นเอาตายท่านก็ลงมาจากทางอากาศนะมาแสดงตนให้ปรากฏเป็นพรมล่องอยู่ในอากาศดูก่อนลูกศิษย์เรา มรณะ <us les> ภาพแล้วเราไปสู่พรมคําว่าไม่มีอะไรในใจใจของเรามันว่างเราไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรใจของเราว่างไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นความว่างของเรานี่ยแหละเมื่อเราจากไปแล้วเราไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่น เ, เราปล่อยวางเดี๋ยวนี้เราขึ้นไปอยู่พรมนี่นี่แหละเราขึ้นไปอยู่พรมเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าเถียงกัน <us les> ให้พวกท่านบําเพ็ญอย่างที่เราสอนกันแล้วกันนะเราสอนว่า ย, ยาังไงให้พวกท่านปฏิบัติตามที่เราสอน พวกรัตทั้งหลายจะขึ้นไปสู่พรมอย่างที่ที่เราขึ้นไปอยู่นั่นแล้วนั้นพราะว่าดังนั้นพรมพรมก็หายแป๊บขึ้นไปบนไปอยู่ชั้นพรมนี่แหล ะ, ะพระพระองค์ก็บอกว่าลูกศิษย์โง่กับลูกชิดสลาดข้าว่าลูกชิดโง่เนี่ยก็คือมองเขาบอกไม่มีอะไรก็เพียงแต่ว่าไม่มีอะไรเพียงแค่นั้นแต่ผู้ที่รู้อ รู้ว่าคําว่าไม่มีอะไรคํำนี่แหละมีความหมายว่าอย่างไรคําว่าไม่มีคํานี้นะเออเนี่แหละเพราะฉนั้นคําพูดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราทั้งท่านจะพูดสิทธิอนุสิทธิ์อย่าไปมัวเมียอตอีเข้าข้างตัวเองแบบความโง่ของตัวเองเพราะนั้นต้องวิเคราะห์ด้วยสติด้วยปัญญาถ้าเรายัางวิวิเคราะห์ไม่ได้เราก็ต้องวางไว้ก่อนถือว่าเป็นของท่านไม่ใช่ของเรา แต่หน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่ของเราคือบูชาพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์กับเรามาเราก็ควรจะปฏิบัติตนให้ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดถูกต้องที่สุดที่สุดที่สุดในการทํากับศรีระของท่านด้วยความรักเคารพเคารพศักดิ์ศรีในศรีระของท่านนี่อันนี้แหละคือพวกเราท่านทั้งหลาย น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่ได้มาปร ะ, ประพฤติปฏิบัติดูดูแลหรือว่าจัดงานองค์สิริของหลวงปู่ของพวกเราเพราะนั้นคำว่าพระสงฆ์ก็ดีฆราวาิญาติโยมก็ดีอย่างหลวงปู่จามรันบอกว่าขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทถ้าผู้ใดก็ตาม ทำความชั่วขณะที่เป็นพระหรือว่าเป็นญาติโยมก็ตามนาลกไม่เต็มนะอย่าไปทำความชั่วนะนาลกไม่เต็มนาลกยังเปิดกว้างเปิดอ้าไว้อยู่แต่ผู้ใดทำคุณงามความดีก็เหมือนกันถ้าคุณงามความดีสวรรค์ก็ไม่เต็มสวรรค์ก็ยังพ่องอยู่เพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายจะทำอะไรจะทำดีหรือทำชั่วด้ทั้งนั้นคุณแม่ชีแก้วก็ย้าไปอีกว่าโลกนี้โลกหาได้ ถ้าเราจะหาคุณงามความดีก็ได้อยาหาความชั่วก็ได้ถ้าเรามาเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบประธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราควรจะหาคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจสิ่งไหนที่มันชั่วอย่าทำอย่าคิดอย่าพูดถ้าคิดพูดทำออกไปแล้วกรรมชั่วที่เราทำนั่นแหละมันจะตามสนองเพราะนั้นอย่าคิดอย่าทอย่าพูดในสิ่งที่มันชั่ว อในพระในครั้งพระพุทธเจ้าอหลวงพ่อจะเอาชาดกมาเปรียบเทียบให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังพ่อหลวงพ่อเนี่ยชอบอ่านชาดกแล้วก็เปรียบเทียบฟังอแต่ไม่ใช่หลวงพ่อคิดว่าไม่งมงายนะแต่ว่าเปรียบเทียบให้ฟังเมื่อท่านเปรียบเทียบให้ฟังแล้วก็หลวงพ่อกอ็นํามาประยุกต์มาบอกกล่าวให้กับคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานให้ได้ฟังอีกเออ พระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีบ่ายวันหนึ่งพระเจ้าปัตเสนได้นำปลาสีทองตัวบ้ากใหญออ่ใครเข้า่าเป็นสีทองทั้งตัวเลยงามมากออแต่ว่าปากมันเหม็ดออปากปลาตัวนี้มันเหม็นอพออ้ออาปาาคือมาเหม็นค้งไปเต็มไปหมดเลยแต่ปลาตัวนี้สวยงาม สาเหตุที่เขาจับปลาได้ก็คือมีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านชาวประมงหมู่บ้านชาวประมงแต่พ่อแม่เขาก็แก่แต่ลูกของชาวประมงทั้งห้าร้อยคนเกิดพร้อมกันเขาก็บอกว่าก็ฝึกสอนวิธีจับปลาให้กับลูกของเขาเป็นพ่อเป็นทายาทเป็นตระกูลเป็นตระกูลจับปลาเนะเขาก็หาอวนอะไรให้พวกหนุ่มทั้งหลายนะ่ะ ที่อายพุพร้อมกันเขาก็เลยนะให้พวกนี้ลงไปตกปลาในแม่น้าอเจรวดีพอไปตกแขแล้วตกอวนอะไรก็ไม่รู้นะ่ะปลาตัวนี้มันไปติดอวนเขาไปติดแหเขาเลยเขาก็ยกขึ้นมาโอ้ปลาตัวนี้สวยงามมากวะถ้าเราเอาไปถวายพระเจ้าปเสนเนี่ยพระเจ้าปเสนคงจะให้รางวัลเราเาพราะเราเป็นปฐมฤกษ์ในการจับปลาฮะ ในแม่น้ําอัาเจียนละวันดีแต่ใ น, นพวกหนุ่มทั้งหลายทั้งห้าร้อยเขาก็เลยใส่เรือไปเอาน้ําใส่ด้วยแล้วก็หามไปพอหามไปไปถวายประจาปเสนพระยาปเสนเห็นโอ้ปลานี่แปลกว่ะสวยงามจริงๆเป็นปลาทองไม่เคยเห็นมาเลยปลาในาแม่น้ําอาเจยนละวดีมันมีอยู่เลยปลาสวยขนาดนี้เราควรจะไปถามพระพุทธเจ้าดูทาไมปลามันเหม็นอีกต่างหากเนะีแต่นน่ก็ เ, เลยไป ไปเอาอปลานั้นไปพอไปเสร็จแล้วพระองค์โขออกมารับพระเจ้าแผ่นดินคือพระเจ้าประเสียนที่โคศรสูนกับพวกหนุ่มหนุ่มประมงนที่ชาวประมงเขาเข้ามานั่งรอมรอพอพระพองค์จะแสดงธรรมแล้วนะทีนี้จะได้พระองค์ก็ถามว่าพระพุทธเจ้าข้าปลาตัวนี้มันสวยงามมากพวกหนุ่มชาวประมงออกมา มอบตวายเออยเอามาเพื่อจะขายให้ข้าพระองค์ข้าพระองค์ก็เห็นว่าปลาตัวนี้แปลกควรจะนำมากราบทูลพระพุทธเจา้ามันมีที่ไปที่มาหรือเปล่าปลาตัวนี้จึงเป็นปลาที่สวยงามตัวใหญ่ต่างหากพระองค์บอกว่ามหาบุพิตปลาตัวนี้เคยเป็นพระมาก่อนนะเคยเป็นพระมาก่อนในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัตปะอ่า แต่พอตายไปแล้วตกนรกพอตกนรกนะ่มาเกิดเป็นปลาออกจากปลานีะ่จะไปสู่นรกอีกเพราะเดียวเขายังไม่พลนกรรมนะกรรมคือการกระทาของเขาเดี๋ยวเราจะถามให้ดูเราถามเป็นภาษาคนให้ดูฟังพระองค์ถามว่าปลาตะกอนชื่อเธอชื่อว่าอย่างไงข้าพระองค์เป็นกัปปิละพิกขุปพระเจ้าข่านะเป็นพระภิกษุเด้ เป็นกะปิระชืะ่อว่ากะปิละพิกขุพระเจ้าข่าเกิดในศาสนาใครเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจสปะพระพุทธเจ้าข่าอายุของแก่ยืนไหมข่าวนั้นสองหมืนปีพระเจ้าข่าแต่ทําไมเธอจึงได้เกิดเป็นปลาจึงมาเป็นอย่างนี้เพราะข้าพระองค์บวชในศาสนาพระพุทธเจ้ากัจสปะพระพุทธเจ้ากัจจปะปรินิพานแล้วพวกกระผมก็เลยบวชกับพี่ชาย บวช ด, ด้วยกันกับพี่ชายพอบวชขึ้นมาแล้วพี่ชายก็บอกว่าเราบวชอายุมากแล้วเราไม่เอาละเราไม่ศึกษาปริยัติเราจะไปภาวนาในป่าดีกว่าจากนั้นพี่ชายก็เลยปลีกตัวไปไปอยู่ในป่าไปภาวนาในป่าได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พี่ชายแต่น้องชายเนี่ยเรียนปริยัติปริยัติก็คือเรียนหนังสือมหาปริยัตเนี่ย พอมหารเรียนเรียนปริยัติจบจบแล้ววะแนะนําสั่งสอนคู่คน อ, อบาปยังก้นบุญอย่างนี่นรกฉะนั้นสวรรค์อย่างนี้แนะ น, นําคนคนทั้งหลายก็นับถือเลื่อมใสอย่างมากแต่พอคนนับถือเลื่อมใสตัวเองไม่รักษาวินัยเลยไม่รักษาศีลไม่รักษาวินัย อ, อปล่อยป่าละเลยผลี่สุดพระสงฆ์ลงอุโบสถ อ, อพอลงอุโบสถพระสงฆ์จะลงอุโบสถตัวเองเอ้ไปลงทําไมอุโบสถ แต่เรื่องพินัยเท่านั้นน่ะไม่มีอะไรแล้วกระจบแล้วกระจบมันจะพูดทำไมไม่ต้องล้องก็ได้แต่ี้พระสงฆ์ทั้งหลายอ้าวกับปิละนี่มันพูดจาบนี้ทำให้ศาสนาของพระเจ้าหมดโดยเร็วนะเนี่ยล่าถอยหมดโดยเร็วนะควรจะไปบอกพี่ชายมาแต่นี้ก็ไปบอกพี่ชายพี่ชายเขาบอกมามาก็มาสอนน้องชายว่าเอ้ยกับปิละ เธอจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะน้องนะบาปนะแต่ทำให้ศาสนาของพระพุทธเจ้ากันสะปะนี่สั้นเข้าอีกถ้าเธอไม่รักษาศีลและวินยัยศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ตราบนั้นอันนี้ถ้าเราเไม่รักษาศีลไม่ช่วยกันประคองเรื่องศีลพระพุทธศาสนาก็จะหมดไปนะ้าน้องนะอย่าไปทำอย่างนี้เถอะนะเฮ้ยพี่นี่โง่ ไปอยู่ในป่าในโรงหลับหูหลับตาผมเห็นไหมศรัทธาญาติโยมเขาเรื่อมใสศรัทธามากขนาดไหนอติเลกขลาผมมากมายมหาศาลเห็นไหมเนี่ยเออเอาเถอะถ้าน้องยังไม่ไม่เชื่อไม่ฟังนะเลยก็เดี๋ยวแบบหลงปู่จามว่านระกไม่เต็มหรอกเอาเถอะนรกยังไม่เต็มพี่ชายก็เลยเข้าป่าไปเลยเพราะท่านไม่ได้แยแสแลวท่านเป็นพระหรหันแล้วนะี่ยแต่ี้ทาง แม่ก็ดีแม่ก็ดีน้องสาวก็ดีที่เป็นน้องสาวก็กากกินกับพระกัปปิละพิกุปพระพุทธองค์ก็ถามว่ากัปปิละพิกุสมัยนะั้นเธอมีพี่น้องกี่คนมีผมกับพี่ชายกับน้องสาวพระเจ้าขา่าแล้วพี่ชายไปไหนพี่ชายเข้าสู่นิพพานแล้วพระเจ้าขา่าแต่แม่ลนะ่ะแม่ยังตกนรกพระเจ้าค่า น้องสาวล่ะน้องสาวก็ตกนรกระเจ้าค่ะทำไมจึงตกนรกเพราะว่าเขายินดีปลาหมาทภิกษุผู้ทรงศีลเหมือนกับข้าพระองค์ใครข้าเป็นหมูเพื่อนกับข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นผู้ปลาหมาทพระสงฆ์วางนั้นพวนั้นบาป ก, กรรมตัวนั้นแหละทำให้แม่ตกนรกน้องสาวตกนรกแล้วเธอล่ะข้าพระองค์ก็ออกจากนี้ไปก็จะไปนรกละไปเจ้าค่ะ ข้าพระองค์ขอลาก่อน้าภิเจ้าข้านพอว่าท่านนั้นก็ยกหัวขึ้นมากับฟาดใส่แคมเรือนปังปังปังปลาตัว น, นั้นก็เลยตายพอตายแล้วก็ไปลงสู่อเวจีมหานรกอีก เ, ออเดี๋ยวนี้จะพ้นหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะ่ะนี่แหละพระตกนรกก็มีเหมือนกันนะคณะสัตย า, าญาติโยมถ้าใครอยากจะรู้ให้ไปอ่านดูนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังในี่ยนือนะอยู่ในธรรมปฏิทัตษกาถาที่ แปลเป็นภาษาไทยแล้วนะ่ะคือสอนพวกให้พวกมหาป ร, ริญญาสามถึงปทนะเก้เรียนในจุดนี้นะที่แปลออกมาเียว่าทำพระธรรมมระทักตกะถาเชื่อว่ากไปละพิขูนะ่นี่แหละนี่หลวงพ่อก็บอกว่าเออพี่น้องลูกหลานคณะสัทธาญาติโยมหลวงพ่อจึงละเวียงระ ว, วังาการที่จะพูดการที่จะทำอันไหนก็ตามอันนี้ถูกตามหลักธรรมวินัยไหมถูกต้องไหมเดือดร้อนไหม ่จะทําให้พุทธศาสนาเสียหายไหมส่วนรวมเสียหายไหมศรัทธาญาติโยมมีความเห็นว่าอย่างไรเรื่องมันจะเสียหายอย่างไรหลวงพ่อจะดูเหมือนกั บ, กบหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกระจกเงามองดูซะก่อนแล้วก็ค่อยประพฤติธปฏิบัติเพราะฉนั้นขอให้พวกเราคณะศรัทธาญาติโยมทุกๆ ท, ท่านนะอันนี้แหละคือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา เป็นกระจกเงาสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายจะได้ประพฤติปฏิบัติแต่ก็พร้อมกันหลวงพ่อจะเน้นเนื่องจิตภาวนาแต่ถึงยังไงทำคำสอนของพระพุทธเจา้าก่อนที่ท่านจะจะได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลท่านเหล่านั้นท่านปฏิบัติตนอย่างไรท่านบอกว่าต้องภาวนาเรื่องทานก็ทำให้พวกเราเกิดพบใดชาติใดไม่อดไม่ยากเพราะ อ, อ น, นิสงทานคุ้มครองถ้ารักษาศีล ก็ทำให้พวกเราไปเกิดทภพบใดชาติใดก็ไม่มีใครเบียดเบียนลังแกชีวิตทั้งชีวิตของเราจะราบรื่นเพราะเรารักษาศีลบริสุทธิ์แต่เรื่องภาวนาเนี่ยทำให้จิตใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสชำละใจกรรมาฐานเนี่คือคื อ, คอชำละใจเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือท่านภาวนา ท่านไปภาวนาอยู่แม่น้ําแม่น้นํามโนมานาทีท่านไปบําเพ็ญอยู่นั้นอ่ะถึงหกปีท่านได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในเมื่อท่านได้ตัดสรู้แล้วเนี่ยท่านก็สอนพระสงฆ์ในครั้งพุทธกาลจะแสดงทำมาจากกปวัตนสูตรอนัตตรกณสูตรอริตตปริยายสูตรและสูตรต่างๆอี ก, อกมากมายสรุปแล้วก็คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าท่าน ให้ไว้ทั้งสี่สิบอย่างเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบเพราะฉนั้นยังมากกว่านั้นอีกทําไมจึงว่ามากกว่านั้นทําว่ามากกว่านี้ก็คือพระสงฆ์ในครั้งพระพุทธเจ้า เ, เป็นลูกศิษย์ของภาษาลิบุตพรพอเป็นลูกศิษย์ภาษาริบุตพรพอบวชภาษาลิบุตรเป็นคนบวชให้พราะบวชเสร็จแล้วภาษาลิบุตรก็ให้กรรมฐานน่ย กรรมฐ า, านเกสาโลมานาขาทันตาตาจุเกสาคือผมโลมาคือขนนาขาคือเล็บทันตาคือฟันตาจคือหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกให้พิจารณานะร่างกายสังขารนี้ไม่ใช่ตัวตนของเรานะเธอนะอีกสักวันหนึ่งนะอีกต ว, วันข้างหน้านะต้องตายแตกสลายลงสู่ดินน้ำลงพลยต้องเผาไฟทิ้งต้องเอาไปฝังดินร่างกายนะีแต่ใจคือนามธรรมานะ่ะจะออกจากร่างนะ ให้ท่านไปพิจารณาดูไปจากนั้นพระองค์นี้ก็ไปภาวนาไปภาวนามันจิตใจไม่ลงเลยเออมันแข็งมันไม่ลงกลับมาหาอาจารย์อีกอาจารย์โอ้เราให้กรรมฐานไม่ละเอียดพอมะสอนอีกให้ละเอียดให้กําหนดแพ่งดูอย่างนี้นะเออบดูผมถอนผมออกมาถอดขนออกมาถอนเล็บออกมาถอนฟังออกมาถลกหนังออกมา ให้กองไว้เป็นกองกองช้ำแหละเนื้อออกมาให้เป็นกองกระดูกแต่ละชิ้นให้เป็นกองกองดูให้ชัดเจนตับปอดไตไส้อาหารใหม่อาหารเก่าแยกส่วนแบ่งส่วนให้ชัดเจนร่างกายของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้นะให้พิจารณาดูนะมันเป็นของเราไหมร่างกายเนี่เป็นอย่างนี้ผมเป็นของเราไหมขนเป็นของเราไหมเล็บเป็นของเราไหมฟันเป็นของเราหนังเป็นของเราไหมให้พิจารณาแยกส่วนให้ละเอียดนะ เออตอนนี้ก็ตวงนั้นก็เข้าป่าไปอีกพ่อเข้าป่ากลับมาใจของผมไม่สงบท่านพระ อ, อุปชาครับมันไม่ลงเลยมันไม่สงบพระ อ, อุปชาเนี่นก็แปลกใจเอะเราสอนกรรมาฐานให้นี่องค์นี้มันภาวนาหรือเปล่ามันไปไมิจะไปคุยกับหมูแล้วจะมากับมาผมจิตไม่สงบอย่างนั้นหรือไม่พวกท่านให้สังเกตดูนะไปดูนะมันภาวนาหรือเปล่าพระองค์นี้วะ เออพระอาจจะพระอุปชาท่านก่อนเอ อ, เ, อ, อ, เ, อ, อเน้นหนักถึงแต่พระทั้งหลายก็บอกเขาก็ภาวนาอย่นะท่านอาจารย์เขาภาวนาของเขาก็ไม่ได้คุกคีกับใครเขาตั้งใจภาวนาเอ๊ะทาไมเอาสอนอีกสอนแบบนี้จนถึงเอาไฟเผาให้เป็นกระดูกเออชมพูให้ไปไฟเผาเนื้อหนังเอ็นกระดูกที่มากองเนี่ยให้ละลายเป็นกระดูกเ อ, อเป็นกระดูกไฟเผาทั้งหมดแล้วก็สู่ละลายลงสู่ดินน้ํามลมไฟ ให้คิดอย่างนี้นะอันนี้เราคือวิปัสสนาให้เห็นตามความเป็นจริงออย่างที่เราสอนนะไปไปภาวนานะองค์นี่ก็เข้าไปภาวนาภาวนายัางไงมันก็ไม่ได้ใช่ไมอมมันไม่สงบมา ก, ากราบมหามหาอุปชัยท่านพระอาจารย์ครับพระอุปชาครับผมภาวนาใจมันไม่สงบใจมันไม่นน่วงเลยครับเอา้าเราสอนปฏิบัติอย่างที่เราสอนใช่ไหมรับ ภาษาลิบบทโอ้โหอันนี้มันคงจะไม่ใช่วิสัยของเราที่จะสอนใช่แล้วคงจะเป็นวิสัยของพุท ธ, ธะเนะนีน่ยแ่นขนาดภาษาลิบุตรนะอาจารย์เป็นผู้รู้ดีรู้ชอบเป็นพระรหันขนาดนั้นนละสอนลูกศิษย์ยังไม่ได้สำเร็จนะเพราะฉนั้นหลวงพ่อเองก็เลยปเปเปรียบเทียบว่าโอ้ยหลวงพ่ออินเอ้ยสอนลูกศิษย์ลูกหาบางคนก็ประมาทด่าหลวงพ่ออินอีกต่างหากหลวงพ่ออินอย่าไปเสียใจนะ ขนาดภาษาลบุตร tamam. สอนลูกศิษย์ตัวเองทั้งที่ท่านในเป็นพระรหันต์แล้วภาษาริบุตรเป็นผู้เลิศก่าภิกษุทั้งหลายในบรรดาลูกศิษย์ของพระพุทธเจา้าขนาดสอนลูกศิษย์ตัวเองก็ยังไม่ได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์เพราะนั้นลูกศิษย์หลวงพ่ออินเนี่ยสอนให้เป็นคนดีคนดีนสอนเท่าที่จะสอนได้ก็พอแล้วหน้าหลวงพ่ออินหน้าเนี่หลวงพ่ออินก็สอนหลวงพ่ออินเนีเพราได้อ่านตำรามานเลยเนี่ย <simplesmente explore> จากนั้นภาษาริบุตรก็นําพระองค์นั้นไปไปกราบพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าขา่าลูกศิษย์ของข้าพระ อ, องค์นบวชเข้ามาแล้วเป็นชาวกรุงสาวัตถีนี่แหละข้าพระ อ, องค์สอนกรรมฐานห้าให้เขาไปภาวนาแต่ข้าพระ อ, องค์เคยสอนใครๆก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลมากต่อมากแต่องค์นี้มันไม่สงบเลยด้วยเหตุอันใดหนอพระเจ้าขา่าข้าพระ อ, องค์จะได้นําพระองค์นี้มากราบพระพุตรองค์พระเจ้าขา่าพระโธองค์พอมองโดยแล้วลสาลีบุตรอันนี้ไม่ใช่วิสัยของเธอ เป็นวิสัยของตถาคตตถาคตเท่านั้นจะเป็นผู้สอนพระองค์นี้ไปตอนบ่ายเขาจะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ในเย็นวันนี้แหละพอพระมหาอภิสาริบุตรก็กราบพระพุทธเจ้ากราบพระเจ้าข่าจากนั้นพระสาริบุตรก็เดินกลับไปที่พักจากนั้นพระพุทธองค์นั่งอยู่สองต่อสองพระธองค์ก็ได้คว้าเอาดอกบัวข้างหลังพระพุทธเจ้านี ดอกบัวที่ไหนก็ไม่รู้ดอกบัวนิลมิตดบางนั่นดอกเดรัมิดเป็นดอกบัวทองคําอยู่ที่หลังคว้าออกมาม า, มากระดอกเอาเอาไปพิจารณานะแต่พอพระองค์นั้นเห็นดอกบัวท่านะดอกบัวทองคํานะเอดอกบัวทองคําออกมาใหม่สดสดยดจ้อยเหมือนกับเอเห็นโ อ, โ, หโอ้โหดอกบัวดอกนี้ทําไมสวยงามจริงๆริงโอโสวยจริงๆนะิงเคล้ายๆมัน ซึมลึกเข้าไปสู่จิตใจแล้วกันเห็นดอกบัวดอกบัวดอกนั้นล่ะไปเอาไปทางหลังวัดนะในที่สงบแล้วก็กอ่องกองทรายขึ้นมาในที่โลบในที่สงบนะพอกองทรายขึ้นมาแล้วดอกบัวนี่ปักพอปักแล้วให้นั่งเพ่งดูนะให้กำหนดดูดอกบัวนี่นะถึงจะบอกอย่างนั้นไม่บอกอย่างนั้นกบองค์นี้แกพอกตาม่กระพริบอยู่แล้ว เห็นดอกบัวงามใช่ไหมเอ่อได้จะว่าเกือบจะว่าไม่มองไม่มองทางเนะ่ยถือดอกบัวไปเออเกือบจะไม่มองทางเนะ่ยมองแต่ดอกบัวอย่างเดียวนะเออพอไปถึงที่สงบก็เลยไปปักอ่าก่องกองสายขึ้นมาแล้วก็ปักฮะพอปักกองสายแล้วก็มานั่งดูกําหนดดูทนะ่านโอ้สวยจริงหนอสวยจริงหนอสวยจริงหนอะบุญกรรมเอ่อเพราดอกบัวสวยสวยจริงหนอสวย พอต่อมาดอกบัวเนี่ยเศร้าลงเศร้าลงพรดุกดอกบัวนิรมิต่ใช่ไหะเออเผลๆกับเหมือนก็ไม่ใช่ทองเนี๋ยมันเป็นทองเหมือนทองเหลืองเลยเติดขี้สรนิมขี้เขียวอีกต่างหากเองพระเอานีาเน้เห็นอเออก่อนหน้านี้ดอกบัวดอกนี้สวยงามมากที่ได้รับมา ก, กับพระหัตถ์พระพุทธเจ้าเองแต่บัดนี้ทําไมเศร้าหมองถึงขนาดนี้เออไม่ว่าแต่ดอกบัวละว่าร่างกายของเรานี่ก็เทอนนะ สมัยก่อนก็หนุ่มแน่นต่อไปภายภาคหน้าก็เน้่จะเท่าแก่ชราผมไม่เคยหมอกมันจะหมากหนูไม่เคยตืยงมันจะตึงฝันไม่เคยร่วงมันก็จะร่วงหนังไม่เคยเหี่ยวมันก็จะเหี่ยวมันไปตามสภาพของมันเอออันนี้เป็นของอันนจังของไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนอันนจังเป็นของไม่เที่ยงเราจะไปยึดถือมั่นถือมั่นได้ยังไงของไม่เที่ยงจะเนี่ยมันไม่ใช่ของเราแล้วเนี่ย พอเห็นทองท่านน่ะมันเห็นร่างกายของเองเห็นจิตใจของตอนเองอีกต่างหากจากนั้นเลยปล่อยวางปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายคลายท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระหัน์ในขณะที่นั่งเพ่งอยู่ดอกบัวนะนี่แหละอันนี้ก็คือท่านจะว่างให้กรรมฐานอะไรกับพระองค์นี้พระพุทธเจ้าให้ดอกบัวเพราะนั้นกรรมฐานของพระพุทธเจ้านี่มีมาก หลากหลายในกรรมฐานแต่ว่าพระเถระท่านนี้ท่านเพ่งดอกบัวแล้วก็เห็นอั น, นิจจังคือความเศร้าหมองสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นมิใช่ตัวตนของเราเพราะเห็นอั น, นินจังของดอกบัวมันเศร้าหมองนี่แหละอันนี้ก็คือการพิจารณาของพระเถระท่านนั้น จากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นของเราแนะนําสั่งสอนพระลูกพระหลานคณะสัตยาญาติโยมท่านมาอยู่แถบห้วยซรายแถบนี่แหละที่วัดอาจารย์พระครูในวัดหนองน่องก็เป็นวัดหลวงปู่มั่นเคยจำพรรษาหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่ขาวครูบาอาจารย์เคยจำพรรษาวัดหนองน่องหลวงปู่ฟั่นหนูทราบว่าจำพรรษาติดต่อกันทั้งสามปีนะนี่แหละท่านมาแถบนี้ท่านก็สอนกรรมฐานให้คณะสัตยาญาติโยม พระเนรทุกองท่านบอกว่าถ้ากำหนดลมหายใจเข้าออกธรรมดามันจะห ล, ลุดหลงได้ง่ายมันลืมได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายให้บริกรรมหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจกมหายใจออกบริกรรมว่าโทนะพดโทพดโธให้มีสติสัมปชัญญะในการบริกรรมให้มีสติสัมปชัญญะในกาหนดลมหายใจเข้า หายใจออกแต่ว่าก่อนที่จะภาวนาให้อยู่ในท่าสงบวันไหนที่มันมีเวลาว่างออในคืนหรือวันในบ้านของเรามันว่างมันมีใครเราไปห้องพระก็ได้กราบพระไหว้พระซะก่อนเท่าที่จะไหว้ได้จากนั้นก็แผ่เมตตาพอแผ่เมตตาเสร็จแล้วก่อ น, นั่งขัดสมาธิในหน้าในนอกในห้องพระออนั่งขัดสมาธออิหรือว่านั่งเก้าอี้ก็ได้ แต่จะเป็นั่งสูงกว่าพระในห้องท่านเองจะนั่งเหยียดขาก็ได้จะหันขาไปทางอื่นเราจะนั่งพับเพียบก็ได้ในห้องพระการนั่งไม่สําคัญแต่สําคัญที่สติอยู่กับตัวเองเท่านตัวนั้นถึงสาคัญอริยบทในการนั่งนั้นจะยืนก็ได้ห่างๆยืนห้องพระล้วก็ยืนก็ได้แต่ว่าเดินก็คงจะไม่เดินไม่ได้ในห้องพระจากนั้นเราพอจกนั้น ก, กปนมือไหว้พระ ประนมือขึ้นระหว่างอกไหว้ครูสกักก่อนคือพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรรม โ, ทโทรมโสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆสามจบจากนั้นก็นั่งนั่งอะไรก็ได้อย่างที่ว่านะพับเพียบก็ได้นั่งคัจมาติก็ได้นั่งคัจฉ า, ามาทเพชรก็ได้จากนั้นก็ประนมมือขึ้นระหว่างอกไหว้ครูเสร็จแล้วก็เอามือลง พอมือลงท่านกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกได้หายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโถมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นไม่ต้องตามลมเข้าไปในท้องไม่ต้องตามลมออกไปข้างนอกเหมือนกับเรายืนอยู่ข้างประตูคนผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าคนผ่านเข้าไปคนผ่านออกมาเราก็รู้ว่าคนผ่านออกไป เหมือนเอาสติจับอยู่ที่ปลายจมูกเวลาลมเข้าไปในท้องก็ไม่ตองตามลมเข้าไปถึงปอดแล้วก็ไม่ตามเมื่อลมออกไปแล้วก็ไม่ตองตามลมไปออกไปข้างนอกนเพียงแต่รู้ว่าลมเข้าเพียงแต่รู้ว่าลมออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกแต่ตั้งสติให้เข้มแข็งนะถ้ามันหลุดไปตั้งไม่ถ้ามันหลุดไปตั้งไ ม, ม, ไตงไม่ตั้งให้เข้มแข็งนี่แหละอีกสักวันหนึ่งอีกสักครั้งหนึ่ง ใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบเลยเออเหมือนกับพระพุทธเจ้าเมื่อจะจิตใจรวมลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณทัศนะเกิดฌานย่ว่าปุเพในวาสานุสติญาณระลึกชาติผนหลังได้อันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเราทําจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งบังคับใช้บังคับนะเออถ้ามันไม่บังคับก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเผลอไผลไปมันไม่เอาการเอางานเราต้องบังคับบังคับให้มันมีสติสัมปชัญญะ ในเมื่อเราบังคับใจของเราจะเนิ่งเข้าสู่ความสงบเมื่อเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วนะจะมีความรู้สึกเอ่มสบายใจในวันนัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแต่ว่าสมาธิมีอยู่สามระดับนะคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิ ถ้าถึงขั้นอัปปนาสมาธิจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นสติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับจิตไม่รับรู้ทางกายกายเรานั่งยุทธนาที่ใดหูไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงตาเนี่หลับอยู่แล้วลใจไม่ออกมาดูร่างกายเลยไม่รับรู้ทางร่างกายเลยเออสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวเป็นเอกเทศนี่แหละที่ว่าจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิ เมื่อจิตรวมสงบถึงขนาดนั้นแล้วบางทีก็ได้นานบางทีก็ไม่ได้นานหนาทีบางสิบนาที20นาที30สุดแท้แต่กำลังสมาธิของเราจะอยู่ได้นานจากนั้นก็ถอนขึ้นมาเป็นอุปจารสมาธิเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญไม่ต้องถามใครรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วเกิดแน่นอนไม่สูญเพราะเหตุอะไร เพราะกายกับใจมันแยกส่วนแบ่งส่วนเหมือนน้ำกับน้ามันถึงจะอยู่ด้วยกันก็เหมือนกับน้ามันเข้าน้ามันไม่ได้น้าน้ามันไม่เข้าน้าไม่ได้เออมันเป็นของเอกเทศของมันนี้ก็เหมือนกันใจกับกายกายกับใจจะเห็นได้ชัดทกอย่างนั้นเพราะนั้นเมื่อเห็นได้ชัดอย่างนั้นแล้วเมื่อออกจากสมาธิก็มาพิจารณากายเลยโซเฟอร์อ so โซเฟอร์รถมาพิจนารณาดูรถดูเออันนั้นเป็นเบรกอันนั้นเป็นคันเร่งอันนั้นเป็นพวงมาลายัยอันนี้นเป็นสายพานเออมันเพ่งดูในตัวเองเท่นี้เออใครเขา้าอ่ะอันนั้นคือตาอันนี้คือหูอันนี้น ค, นนนคือจมูกอันนี้นคือลิ้นอันนั้นคือกายแต่และอย่างทำหน้าที่เป็นคนละอย่างกันเนี่ยโซเฟอร์จะนีนดูร่างกายตัวเองร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเรานะ อีกสักวันหนึ่งนะแตกตายสลายลงสู่ดินน้ำหลงไปมิใช่เราไม่ใช่ของเรานะใจนะให้เข้าใจเอาไว้นะใจนะเออใจสอนใจสิเมื่อใจสอนใจใจก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มาเวียนไหวตายเกิดไม่เกิดมาทําไมเกิดมาแล้วก็มักตายอีกเออจะหาความสุขได้ที่ไหนเออเห็นไหมใครมีความสุขในโลกเนี่ยเออมีแต่ ถึงข่าวจุดจบขึ้นมาแล้วมีแต่ชักดิ่งชักงอตาหลีตาเหลือ ก, กระเสือ ก, กระสนเพราะอะไรเพรามันทุกข์มันทุกเวทนาบีบคั้นมันทุกเกิดพบหน้าชาติหน้าเขาคงจะเป็นอย่างเก่าเพราะฉะนั้นไม่ควรปราถนาขอให้เกิดในภพหน้าชาติหน้าอย่างไรที่จะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารในเร็ววันขอขอให้ได้พ้นทุกข์เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะ การพูดและการกล่าวสังเวชทึงนิยกคาถาในวันนี้ก็เห็นว่าสกวรกกับการเวลาอย่างที่หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาษ์เบื้องตนว่าสัพเพสังสังคสสะภูตานังสามคัคคีวุท ธ, ธิสาธิกาความพร้อมเพียงของประชาชนยังความเจริญและความสำเร็จให้เกิดขึ้นได้นี่แหละ คือความพร้อมเพียงความสามัคคีในชุมชนในกลุ่มของเราอย่างพวกเราจัดงานถวายองขององค์หลวงปู่ของเราถ้าเรามีความพร้อมเพียงสามัคคีคนหนึ่งจัดหนึ่งคนหนึ่งทำหนึ่งต่างคนก็ต่างรับผิดชอบของใครของเรางานของหลวงปู่ของเราก็จะสำเร็จร่วงไปด้วยดีแต่ถ้าว่าพวกเราไม่หันหน้าเข้าหากันมีแต่ว่าใครเก่งต่างคนต่างทำผลที่สุดออกมากรอยาง ไม่สิ่งที่ไม่พึงปราถนาก็จะเกิดขึ้นเพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักเรื่องความพร้อมเพียงความสมัคคีของหมู่ของคณะนะของมนุษยชาติที่อยู่ด้วยกันมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นขอให้พวกเรายึดความพร้อมเพียงสมัคคีอย่าเอาแต่ใจตัวเองบางทีก็ต้องยืดยุนอนุโลมตามหมู่เพื่อนบ้างต่อ สามีภรรยาลูกหลานบ้างต่อวิสหายบ้างฮไม่ใช่ว่าหัวชนฝาอย่างไงก็เอาอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปอยู่คนเดียวจะมาอยู่กับหมู่กับเพื่อนถ้าอยากจะเอาใจแต่ ต, ตัวเองอย่างเดียวเพราะฉะนั้นขอให้ขอฝากไว้กับพวกเราทุกท่านการแสดงธรรมในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอํานาจคุณพระสีรัตน์ไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกด้วยบุญบา ร, รมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะยังยิ่งบา ร, รมีขององค์หลวงปู่จามของพวกเราที่ท่านได้บำเพญมา เ, เป็นระยะยาวนานขอให้มาคุ้มครองขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญปราถนาสิ่งใดในปี2557ขอให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีขอให้มีความเจริญยิ่ง ด้วยอายุวันนะสุขภาละปฏิพานธนสารสมบัติปาถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปาถนาทุกทุกท่านด้วยเธนิน